คือเราตั้งใจมาปฏิบัติธรรมเวลาจํากัดแต่ขอจเจริญพรว่าเวลาจํากัดขอให้เราสร้างบุญกุศลด้วยจํากัดเวลาที่หมดไปให้มีประโยชน์ในชีวิตในกิจประจำวันให้ได้แต่หน้าที่นใดเวลาที่มีประโยชน์ของท่าน หมดไปแล้วเรียกคืนไม่ได้นั่นคือชีวิตมีค่าการปฏิบัติธรรมต้องการให้ชีวิตมีค่ามีราคาเวลาถึงจะมีประโยชน์แต่ชีวิตของท่านหมดค่าหมดราคาแล้วตกเศรษฐกิ จ, ะจะตกในชวิตทรัพยากรตกเวลาก็ไร้ประโยชน์โชติผล ไม่มีความเข้าใจในชีวิตนี้เวลาก็หมดไปเปล่าเปล่าสจากประโยชน์แต่ประการใดถึงหากว่าคืนวันเวลาล่วงไปเวลานี้ขนา้พระอาทิตย์เดี่ยวรักชายมะพร้อัสลงอาสดงคด ต, ตกไปแล้วชีวิตของเราก็หมดไปหนึ่งวัน ขอจเจริญพรเรียกคืนไม่ได้แล้วหมดไปหน้าอย่างหน้าจะหายวัยของเราก็เสื่อมโทรแต่ไม่มีอะไรเหลือเป็นชีวิตที่มีค่าเวลาที่มีประโยชน์จะไปการใดหน้าเชิดายเวลานั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายถึงเราจะมีอายุมาก น, อน้อยเพียงใดก็ตามแต่ชุวิของเราหมดค่าเวลาหมดไป เดินทางผิดทิศจนตัวตายครอบเหยือครอบครัวครอบลงไปที่ครัวครัวแปลว่าอะไรแปลว่ารับผิดชอบในครอบครัวถ้าท่านทั้งหลายไม่ปฏิบททัติธรรมท่านจะรู้ได้ย่งไรปัญหาของครอบครัวมีอะไรบ้างมาตมาได้รับฟังทุกวันหน่าใจหาย ปัญห า, ข, าของครอบครัวทุกวันเนี่ยไล่คุณภาพขาดคุณธรรมหนึ่งไม่มีความสุขทะเลาะกาะะันตลอดไม่เป็นเพื่อนคู่เคดไม่กูบานแต่เป็นการใดเพรขาดคุณค่าของชืวอชีวิตไม่มีคาจึงต้องทะเลาะกันคนที่ไล่คุณธรรมขาดเหตุผลจะทะเลาะกันเสมอเพราะเหตุใดความคิดไม่ตรงกันความผูกพันในควา ม, ามรักหาหมีไหม่ไปผูกพันในความมรุณ ผูกพันในกรมว่าท่านท่านเป็นลูกเศรษฐีสามีภรรยาเป็นลูกเศรษฐีแต่หาความดีช่วหาดีไม่ไม่เกิดประโยชน์สทดสิผลจากประการใดจึงทะเลาะคนทะเลาะวิวาดกันเป็นคนชีวิตติดทรัพยากรชีวิตตกไปแล้วไม่มีค่าทองเอ๋ยทองคาเพชรเอ๋ยนินจินดาอยู่ในล่าง เ ห, เหมือนมีค่าราคาแพงแต่ก็ไม่แพงอะไรเท่ากับชีวิตที่มีค่าที่มีประโยชน์ต่อการงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่เรารับผิดชอบได้สมกับหน้าที่พ่อบ้างแม่เลือนไม่เชื้อแรับผิดชอบแต่สามีพรรยายุคใหม่สมัยนี้ไม่มีการรับผิดชอบทะเลาะกันตลอดแต่มาพูดกับท่านมานานเนี่ย เจอเช้าได้เย็นได้เย็นทิ้งตอนชเช้าเล้วล่ายในช่องโคมยุคใหม่สมยัยนี่หรือทรัพยากรชวีวิตที่มีค่าราคาคนมันตกเพระเศรษฐกิจมันตกดังที่เก่าแล้วเศรษฐกิจตกไม่เป็นไรชีวิตการงานและหน้าที่อย่าตกโปรดรับผิดชอบสามีภรรยารับผิดชอบไหมพ่อบ้านการเมืองจะได้เลืองลุกแม่บ้านรับผิดชอบ แม่บ้านการเลี้ยงแคร์ศาสตรแม่แบบแม่แผนแม่แผนดูแลลูกคิดปลูกพันธลูกพันุด้วยความดีในลูกรักยังแก้วตานี่ชีวิมีค่าลูกลักยังแก้วตาหมายความเมือไหร่ท่านผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายลูกแสนจะรักแก้วเผยแก้วตาแก้วตาขวาลูกชายแก้วตาชายยุดสามคู่เค็ด ชีวิตมีค่าคือสามีภรรย า, ยาน่าจะตีความให้ง่ายพาไปตีความ ย, ยากเน่ยมาที่กุฏิทุกวันร้องโห o m ร้องไห้ตลอดเดินยิ่งแน่ยิ่งดิ้งยิงเนี่ยวันนี้ชัดเจนยิ่งดิ้ยิ่งเ น, นี่ยไม่มีการละลวมหรือดินไม่หลุดผูกให้มันแน่นทับแทนใจตลอดในการ เหมือนท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมใช่หท่านทั้งหลา ย, อยเอ๋ยรีบพายได้ไหมพี่น้องทีละรีรบพายรียบแจวตะวันจะสายสายบัวจะเน่าตลาดจะวายตะวันจะสายใช่หรือสาบัวจะน่ารีบพายแม่คุณพ่อคุณรีบพายพายไม่ได้เลย พายไม่ไปโซ่ไม่แก่ลูกประแจไม่ไขายพายพระเจ้ากระร้าติดโซ่อยู่ทุกวันผูกมัดติดท่านจะดินยิงเนี้ยยิงเดินยิงเนี้ ย, ย, ย, ยทั่วตรงนี้เป็นเรื่องสมบัญถ้าโซ่แก่ลูกประแจขายเรือจะได้พายไปได้ไหวตะวันจะสายใช้บัวก็จะไม่หนาวตะลาก็คงไม่ไายบาทนี้ตะลากก็วาย ตะวันก็สายสายบัวก็จะเน่าไปไม่รอดไม่ปลอดภัยไหนเลยแล้วท่านจะมีเผลที่ดีนะ น, นี่คนหนึ่งในครอบครัวปัญหาครอบครัวตอบญี่ปุ่นศาสตาจารย์ไปแล้วเมื่อวานยอมรับโอเคเขาเองเนี่ยเป็นพระญี่ปุ่นได้ภรรยาต้องหลายคนเจ็ดวันเลิกกันสามเดือนเลิกกันเลย ก, กลงเป้าหมาที่อับป เขาหน้าตาลุกแต่มาตอนหลังคิดได้มีพรรยาใหม่บัดนี้สามสิบปีแล้วยังอยู่ดีตลอดก็เพราะเหตุดังกล่าวนี่ปัญหาครอบครัวถ้าท่านมาจเจริญกรรมฐานท่านจะรู้ปัญหาในครอบครัวปัญหาของลูกรักอย่างแก้วตาลูกลักอย่างแก้วตาคืออะไรไม่มีเลยทิ้งลูกทิ้งตา่า สารยาวชนราดบุรีพันห้าร้อยคนเตยติในแปัญหาครอบปัญหาลูกช่องว่างระหว่างพ่อแม่กับลูกเลวร้วาคืออีแม่ต้องพูดอย่างนี้แม่ประดิช่องว่างระหว่างลูกกับแม่ห่างเหินดำเนมินชีวิตที่เลวร้วาในสมคุณเดินทางผิดคิดจนตัวสลาย มีผัวผิดคิดจนตัวตายนาชดายปัญหามาให้เราทุกอย่งวันนี้ปัญหาเยอะนี่ปัญหาครอบครัวอยู่พ่อแม่ไม่มีความรักอูกเลยลูกไม่หาที่พึ่งไม่ได้ก็ไปพึ่งเพื่อนที่เลวร้ายโชคร้ายไปเพื่อนพเพื่อนอันตรพาลพาลูกไปพลาดผิดคิดจนตัวตายในสังคมต่อ ทั้งหลายทุกเป็นพ่อแม่ของลูกถ้าลูกเป็นอย่างนี้ฉันจะเสียใจลูกไม่เรียนหนังสือเนี่ยจะเสียใจไห ม, มจะเสียใ จ, จ, ยใจถ้าจะวางวายชีวิตจะวางแวกเป็นประแปรปิ้งเท่าทะแลแก่ชาราจะตาอย่างเท่งถึงหาที่พึ่งไม่ได้อย่างเปล่าแล้วชัดเจนมากไม่ใช่มานั่งปฏิบัติธรรมมาบทชีพราหมณ์นุ่งขาวแล้วได้บุญ ได้บาปไปเยอะเลยได้บาปไปเยอะเลยมานั่งคุยกันหาเรื่องหาลาวคุยกันเท้าความหลังคนง้นเท้าความหลังคนนี้ได้อะไรได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรเลยปัญหาที่สองลองมาแค้ปัญหาชีวิตไม่ได้ยิ่งดิ้นยิงเนี่ยยิ่งดิ้นิงเนี่ยยิ่งดินยิงไม่ออก พบแก่ปัญหาชุดปัญหาที่สามลูกไม่เรียนยังสือแต่มาเาจาเจริญพรท น, นั้งหลายมาจากแม่เป็นอันดับหนึ่งลูกไม่อยากเรียนยังสือเพราะว่าพ่อแม่ไม่เคยสวดมนต์ไหวพระอยู่ลูกจะห่างเหินกับความดีมีปัญญาแก้ไขปัญหาไม่ได้จึงออกไปนอกประเด็นสังคมฝากไว้ด้วยเลย ถ้ามานั่กรรมาฐานจะ ล, ลูกชอบอะไรชอบสามอย่างหนึ่งชอบความรักใครมีลูกทิงจะรู้นายโยมเคยเป็นเด็กมาเนี่ยเมื่อเป็นเด็กชอบความรักไหมโยคะชอบไหมไม่ชอบก็ดีชอบให้พ่อแม่รักและให้ความอบอุ่นพ่อแม่ทิ้งลูกไม่จะดูแลลูกเลยลูกจะไปผูกพันกับใครล่ะ ลูกก็ต้องออกไปนอกประเด็นชั้นโคมไปครอบเพื่อนที่เลวร้ายต่อไปพ่อแม่จะรวยกี่ร้อยล้านก็เอาลูกดีไม่ได้ดังที่กล่าวประการที่สองลูกชอบอะไรโยมเคยเป็นเด็กด้วยกันทั้งนั้นชอบอะไรเด็กชอบอะไรชอบอยากลูกอยากเห็นอยากเป็นพยานหลักฐานอาชอบคน้นวันนี้นี้มันมีอะไรต้องมาเปิดใช่แตกให้เห็น โคนโน่คนนี่ตลอกอย่าตีลูกทำถ้วยแตกอย่าตีถ้าถ้วยแตกชื้อได้ไหมคะแล้วลูกแตกไปแล้วไปเอาที่ไหนแล้วทำลูกเนี่ยมันง่ายหรือยากทำลูกเนี่ยง่ายหรือยากฮะยากยา ก, ยากอย่าตีลูกเลยไหยถ้วยแตกเนี่ยไปชื้อหน้าชาววิชามีขายเยอะแต่ลูกแตก อยากจะเรียนถามไปซื้อที่ไหนค ะ, ะหาซื้อไม่ได้ยังงั้นเหรออาตมาอยู่วัดมานานไม่ชราบไม่ชาบอบอจักชาบบอไหมก็ทอลอสาอาตัวบอแตกแล้วไปซื้อมา ตีลูกถ้หัวแตกมือล่างขาแตกตายซื้อที่ไหนก็ไม่ได้อย่าตีลูกลูกชนเพราะต้องการรู้สามลูกชอบวิชาละเสลีเป็นเด็กชอบอิสระไม่ชอบให้พ่อแม่บังคับจนเกินไปหนามแหลมใครเสียงมันเอาตัวมันเปรี้ยงทะเพียนมันกลมเนี่ยอย่าไปกลึงให้มันเละหนามแหลมเนี่ยอย่าไปเสียมันจะเสีย ถูกหรือผิดจ้ะถูกยังไงยังนั้นเหรอเขาเพิ่งรู้วันนี้เหมืกันมีลูกกี่คนคะนสองดีไหมผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ลูกชายคนโตดีมั้ยลูกชายคนโตดีมั้ย ลูกชายคนโตเป็นยังไงไน่ะานนึกแล้วถึงต้องถามถามเพื่อจะหาเรื่องว่าจะได้ไม่เปลียนเวลาว่าลูกชายคนโตเป็นอย่างไรถามเจาะจงรู้ว่าปล่อยไปนานแล้วขายไปชะแล้วเหรอนขอขอจเจริญพรจะชี้แจงให้เข้าใจว่า ขาวัดดีสุดที่พูดเมื่อกี้เนี่ยพูดตามช้งโคมที่เขาผ่านหันหลังเข้าววัดกันหมดไม่มีหันหน้าข้าวัดเลยหันหลังเข้าวัดคือไม่มีศรัทธากับวัดเหมือนพออพอแอตามโรงเรียนเอานักเรียนมาอบรมแต่พออบอกว่าอาจารย์ช้างโคมเอาเด็กไปวัดเสียเวลาเอาเด็กไปนั่งสมาธิสวดมนต์เสียเวลาเท่านั้นะเสียเวลาเรียนตเอาเด็กไปทัศ น, นาศึกษา หันหน้าเขาวิหันหลังเข้าวัตขอออย่างนี้มีจํานวนมากเด็กจึงเสียหายแต่สร้างความดีไม่มีใครจะสร้างสร้างความชั่วชอบกันทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะความดีเป็นศัตรูชีวิตเงินทองเป็นอสสรพิษเงินทองเป็นอสสรพิษไม่ใช่ของเราอย่าไปเอามากัดการฆ่ากันตานยในกรุงเทพไปจํานวนไม่ใช่น้อยถ้าของเราแล้วหาได้ควรความโดยสุดใจต้องรักษาไว้ดี ที่จะมีประโยชน์ในชิดมหาศาลขอฝากพี่น้องไว้ทุกคนนการเจริญกรรมาฐานแสนจะยากมากศาสนาอาจารย์ญี่ปุ่นถามมื่วานท่านเทระวาเขาเป็นศาสนามหายานเขาบอกศาสนานี้พุทธนี่พิณญาณเทระวา ต้องการจะไปสวรนิพพานแต่หลวงพ่อไม่ต้องการไปสวรรนิพพานนี้ถึงได้มาทํางานแบบสังคมที่ช่วยเหลือคนโน่นช่วยเหลือคนนี้เลี้ยงคนตลอดเพราะเหตุดถ้าไม่ใช่เราจะตอบไม่ได้เขาถามที่หเราเราต้องตอบล้วก็ตอบเขาบอกว่าเหตุที่ข้าพเจ้าพิจารณาคาสอนพิจารณาเนี่ยนิพพานเนี่ยมาผล ประเสริฐที่สุดแนะมาต้องกลับมาเวียนว่ า, ใายใจเกิดอยู่ในวัฏสงสารต่อไปเป็นธรรมะที่ประเสริฐที่สุดล้ำเลิศที่สุดแต่ขอฝากสดาจามไปยากมากไม่ใช่จะได้ทุกคนตรงนี้เป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตในสังคม อ, อาตมาปรารถนานิพพานนี้ก็มาบวชในศาสนาในขั้นปลาย ตองการชําเร็จมรรคผลนิพานก็จริงแหละแต่ทว่ายไม่ต้องการจับมาเบียนว่าตายเกิดอยู่ในวัดต้องสงสารต่อไปแล้วเหตุใดเล่าทําให้หลวงพ่อต้องมาทํางานสังคมช่วยเหลือสังคมโดยมาหยุดพักอบรมคนมาเป็นหมื่นเป็นแสนวัดอื่นทําไมไม่ทําเทระวาดชอบนั่งในถ้าในเหวไปสวัสดีผ่านเนโยมมานี่น้องชายบวชห้าพรรษาที่จะพลีอยู่ถ้า แสงอะไรไม่สะอาดหายไปเมื่อวานเขาอยากจะตายบวชหาภาษาแหกถ้ำไปแล้วตามตัวไม่เจอมาให้ธารมมาไปตามก็ตารมมาไปรู้เหรอเขาไปที่ไหนนี่ถ้ำตะกรีหลายคนหนึ่งปริญญาโทตุลามานั่งกรรมฐ า, า, านที่ผ้าหวานันดีแล้วเพื่อนควนไปเข้าถ้ำนครสวรรค์เดี๋ยวนี้ยังไม่กลับมาหาพ่อแม่พระพาเขาถ้ำโเหไป เร็วมากถ้ำแพรวาสมาธิตรงไหนก็ได้ลูกขมูและเสนาธนางนิสายป่าปัญชาตัะทะเตยยาวชีวังอุชาหกนิยงอธิเรตระโพรเรามาวัดเพื่อความสงบอยู่คนมาเรียนร่างวางเปล่าไม่ไปคุยกันหิฮาโลจโยโคโปาศาโคหัมอยยังคู่หาให้เจริญสมาธิภาวนาอยู่ในถ้ำอย่าออกมาเหมือนเรื่องชลวัน ขพันตาพญาพันวังชลาวันเอ้ยเจ้าจงไปประเพณิฉินในถ้ำแต่ออกมาต้องตายหมดอายุแล้ววันเกิดของชลวันเจ้าจะต้องตายกลายทองจะต้องแทนที่ความตาเลยเข้าถ้าครูหากลายเป็นมนุษย์โสภามีสติสัมงปัญญากลายเป็นมนุษย์เต็มุมภากลายเป็นมนุษย์คนที่มีสติปกติแล้วจะเป็นมนุษย์ส ม, มุทภูโตมนุษย์โสภาสวยน่ารัก ออกจะท่ามูหากลายเป็นกุมภาฟาหัวเวียงหากลาในชนธานถูกไอกลายทองแทงเสถึงและความตายเพราะเหตุใหญ่ไอกลายลทองตามล่าอชลวันไปด่าที่นาธรรมไปด่าที่นาธรรมท้าพันตาพยาพดังคืออิยากาเป็นเป็นกระปูกอชลวันเอ่ยบำเพ็ญออกไปตาย นั่งเจริญกรรมาฐานมีตา ม, ามานมารไม่มีบา ร, รมีไม่ไม่มารไม่มีบา ร, รมีไม่เกิดประเสริฐไม่ไดเอชาชัลวานมันเคยเป็นเดรัจฉานแต่ยินเสียงด่ามันทนไม่ได้น้อยไปกู้ก็หนึ่งในตองอูฟาหัวเวียงหางออกจากถา้ำกลายเป็นกุ้มผาไม่มีสติสมาธิกลายเป็นเดรัจฉานโยมเข้าใจคํานี้ถ้าเรามีสติดีเป็นมนุษย์โสผา อาคาสติเมื่อไรอารมณ์เสียเป็นเดรัจฉานเมื่อนั้นจึงต้องกำหนด ว, ว่าโกรธหนอโกรธหนอพออารมณ์ดีแล้วเป็นมนุษย์โสภาโสภาโสผีหน้าตาดีๆน่ารักน่าใคร์น่ายินดีน่าปรดาน่าโมโหกโกธาเหมือนยักษ์เป็นมารหน้าตาไม่ดีไม่มีเยิ่มยมเยีมแจม่มใสตั้งใ จ, จชุนนาจะไปการใดอันนี้เรื่องจริงในชุดของคน คนเราตีหน้าได้หลายอย่างวันนี้มีคนมาขอคาถาพระพรมบอกคาถาของเรามีท่านจะเอาไดา้ถ้าพรมเนี่ยเนี่ยที่ของเรานี่ยเรมีพระพรมที่ขุดได้ได้เสียนถ้าพรมมาอายุต้องไปลย อ, อยๆอีกเอามาช่อมขึ้นต้องการให้เราบูชาพระพรมว่าเมตตากรุณามุติต า, ต า, ตาอุเบกขาวิหารธรรมต้องการให้เราเป็นผู้ใหญ่หน้าเคารพ น้านบไหวมีสี่หน้าหน้านีิเมตตาตุนามุติตาเบิขาต้องการให้เราเป็นผู้ใหญ่มีมีหารธรรมเมตตาต่อผู้น้อยเด็ดไหต้องการบูชาพระพรมจหญแเมตตาคุณนางอลหังเมตตาหน้าทางนี้ก็บอกว่าเมตตาคุณนางอลังเมตตาเห็นเนาเมตตาเป็นคุณประโยชน์ต่อชาวลกคุณนางเป็นประโยชน์ต่อชาวลก อละหังเมตตาปลายจากกิเลสแล้วจิตถึงจะมีเมตตาบริฉุดผุดผ่องมันทองคำทำให้ข้าพิโรลาออมอบายกชัดเจนแล้วจะเอาอะไรมาเป็นหลักแล้วจะเอาคาถาในบูชาพระสงฆ์ไปตั้งพระพรมมันเต็มหมดถ้าคนไหนมีพระพรหมมีหลักธรรมขายดีขายีเอาพระพรหมนี่ไปเลยไหมเมตตาคุณนางอาหลังเมตตา สอนสีไปภาวนาหนูจะเรียนเก่งเลี้ยกงกาวนาแต่้าขายเงินและนองทองเล้ยมาแม่ตาคุณนางแม่ตาหัวใจก็ะพรมวริหารธรรมแปลว่าเป็นผู้ใหญ่หนูยังยาววัยถ้าปฏิบัติไม่ได้หนูจะเป็นผู้ใหญ่ไม่จะคุ้นแก่แกอะไรแกที่อยู่นานหัวงอกหัวดำไม่เอาไหน น, นีแม่ตาแล้ใครเลย ไม่มีมูติตาแสดงความดีีกับขครไม่มีความสงสารขครไม่มีความดีๆกับคนอื่นครับไปเห็นคนทาทั่วแช่งชาขากระดูกหน้าจาวางอุเบกขาไม่น่าจะไปแช่งเขาทำไมไม่ถึงจะเป็นพระโตรุ่ยเจ้าสองที่ทำรูพระพตรมขึ้นมาต้องการจะให้เรารู้เป็นติิศนาธรรมม่สี่หน้าไม่ใช่หน้าเดียว หน้าเดียวก็กลายเป็นคนต่อหน้ามาพลับลับหลังตะโกต่อหน้าสมโม่รับหลังท่อมเช้งเชงไม่ลงเห็นกงจับเป็นดอกบัวเห็นความทั่วเป็นความดีเอาดีไม่ได้ดังที่กล่าวแล้วหนูต่อหน้ายัางไง ร, รับหลังต้องอย่างนั้นเข้าใจไหมไม่คือพระผลลายเป็นผู้ใหญ่ที่หน้ารับถึงหนูจะมีอายุน้อยเพียงใดก็ตามขอให้พูดจริงทําจริงชัดเจนไม่ตาสามมิตรมีไหน มีคนนับหน้าถือตามอะแต่ยังไงหัวงอกหูวดําคูดทิมขึ้นทิมหลอกหละหล้วมหล่อแหล่เหลวไหลใครจะนับหน้าถือตางเป็นผู้ใหญ่ไม่ใหญ่เป็นแต่จะคนแก่คนอยู่นานเท่านั้นแต่ไม่จะเป็นคนละตันอยู่รู้การเวลาจะเป็นการใดกลายเป็นคนไร้สาระกลายเป็นคนเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีเห็นความชั่วเป็นความดีไปเลย คนประเภทนี้มีมากหลากหลายมาในสังคมทุกวันหน่าที่ได้เวลาที่มีประโยชน์มากหมูจะเป็นเด็กเยาวชนมันชรางกุศลในใจอย่างหมูมากุศลแปลว่าตั้งใจทุกอย่างบุญแปละว่าความสุขในชีวิตขอเอาความสุขมาใส่ใจตั้ง อ, อกตั้งใจให้ดีจะได้มีปัญญาไม่มีความสุขเลยในชีวิตตลอดมา จนเท่าชเลแต่แต่ฉลาตายแช่งถึงหาความที่พึงมิดัสามีพรรยาไม่จะเป็นที่พึ่งสามีพรรยาบางคู่เสียใจเยอะเป็นคู่นอนกันไปวันไม่เป็นเพื่อนคู่คิดมิกุบาทไม่มีความสุขต่อกันนี่แบบปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นลูกไปเรียนหนังสืออย่าไปโทษเด็กโทษพ่อแม่ไร้าสาละ พ่อแม่ม่นม้คุณค่ากอันดับสี่เศรษฐกิจไม่พอปากพอท้องเป็นหนี้เขามากมายกลายกองไม่มีปัญญาจารชัยปัญหาที่ห้าครอบครัวมีห้าปัญหามีเงินมามีท้องมากมายกลายท้องกองตั้ยแตะกลายไปยากจนแม่ตังเดียวไม่มีเเอาเงินไปตองเงิน เอาเงินไปตามเงินไม่ได้เอาเงไปตามเงินไปเล่นการพนันไปเล่นหุ้นไม่ได้ต้องอางานไปตามเงินงานเดินเงินจะตามมาหาจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจอันใดก็ตามงานเดินมาอะไรเงินจะตามมาให้ไม่มีงานเนี่ยกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินงานการก็เหม่อนเงินจะมาได้การปัถารเนี่ยแก้ปัญหาครอบครัวได้เน่น กรรมฐานแปลว่าการกระทําให้ฐานะดีกรรมแปลว่าการจะทําฐานตัวฐานตัวถอฐานไม่ท้อถึงใจิตใจมีฐานะใจิตใจมีหลักฐานสติถ้าไม่ฉัญญะคือตัวปัญญาถ้าไม่ฐานะดีถ้าไม่เราแก้ปัญหาชีวิตในปิกประจําวันของเราได้ข อ, ขอฝากพี่น้องไว้ทุกคนทังมาเวลาสั้น ท่านจะคิดว่ามาวันพวันเป็นความฝันมากคืนอยู่กลับไปแล้ลืมเลยเลื่อนลางออกจากจิตใจท่านจะได้ดีเหรอมันอะไรไม่เสมอต้นเสมอปลายฉันจะ ด, ดีได้ไหมไม่ได่ากหนกจะไม่ทาอะไรให้มันติดต่อกันไปจเจริญกรรมาฐานเป็นการแก้ปัญหาในครอบครัวแล้วแก้ปัญหาชีวิตไม่ใช่ไปสวานนิพานมานุ่งขาวหอมขา ว, ว, ขาวฉันจะไปสวานนิพานไม่ใช่ ศาสตราจารย์ ญ, ญี่ปุ่นถามมาวา น, นถามแรกเลยเป็นครั้งแรกที่ศาสดาจารย์ลัทธิมหาหยาดถามปัญหาพระสงฆ์ไทยเป็นครั้งแรกในประเทศไเขาสอนมหาใหญ่ที่มหาสารกาถึงสามมหาหยาดอายุเขาห้าสิบเจ็ดปีสอนมาตั้งแต่สี่สิบแล้วตั้งแต่สามพิบแปดเป็นศาสดาจารย์สอนทุกอย่างเป็นพระญี่ปุ่น เป็นพระที่สอนนี่แบบมีภรรยาได้เขามีปัญหาในาครอบครัวเพราถามปัญหาเราตอบเขายอมรับเลยเดี๋ยวออกทีวีช่องสามต่อไปในโอกาสหน่ะจะเกิดประโยชน์ในชีวิตของเขาเองโดยเฉพาะจดข้อาขาฝากไว้เขาก็มีปัญหาในาครอบครัวแต่ใครจเจริญก็มาถานได้เดินตรงกลมไว้อย่าทิ้ง นั่งเฉยๆไม่ได้เดินตรงกลมมีประโยชน์มากยืนหนอห้าครั้งให้ได้ทําได้อย่างยืนหนองเอาสติและจิต ด, ดูด้วยกัให้ได้ไอจิตและสะติบวกหนึ่งแต่หนึ่งลาบลองมีปัญญาเห็นหนอเห็นด้วยปัญญายืนหนอห้าครั้งเห็นคนเดินมาขาดกําลังมากเลยไม่ต้องกําลังก็เห็นหนอเห็นออกจากเสียสาลงปลายชาไปลเดี๋ยวมันจะย้อนมาบอกเราตรงนี้ที่ลิ้นปีคนนี้ครบมไม่ไย้ คนนี้ใช่ไม่ได้กำลังมีชู้คนนี้ยิ้มตอนกู้เป็นศัตรูตอนทวงอย่าให้เขยิ้มมีประโยชน์ในการดูคนมะนี่แหละเราพูดมาหลายยนะหนูส อ, อนฉีมีพี่เพกมารชื้อคือพี่เพกยักษ์สื่อสัตว์คือพี่เพก มองโทรกการดูธุรกการไม่ได้ธุรการไม่ซื่อสัตย์ออนี้มาอยู่ก็รักกรามมารชื่อคือพิเพคหัวลาอยู่ในทุกวันท่าพระผราพี่เพคหัวลาคือตัวสติทุกวันท่าพระคือกายกติแต่มีพิเพคอยู่ไปจําตัวเราจะไม่เสียหายก็ได้รู้ว่าถ้าศึกยกมาในสนามลิขนาหัวร้องเป็นสามหลาเกล็กล้องไปยังทุกวันท่าพระเราจะได้รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร สติคือหมอดูเราก็พาไปหาหมอที่ไหนจนําไปนาลูกหลานอย่าไปหาหมอดูนอกไปหมอดูอยู่ในตัวเราคือกรรมฐ า, านตัวสติเป็นพิเภกไอตัวฮนุมานคือจิตตัวจิตตัวลิงองคคตคือจิตคตจิตไม่เชื่สัตว์มันคดไม่มีปัญญามันจะโกงเขาตอนนั้นได้จะฆ่าเขาตอนนั้นได้จำไ หานุมานเนี่ยคือเจ็ตเป็นที่ค่าเขาตลอดไ ม, ม่นี้โอากาสที่จะเป็นตัวขงตัวเองได้การเจริญกรรมฐานต้องการให้สติเกิดติดอยู่ด้วยกันของการจะเป็นอิสระเสรีการเป็นอิสระเสรีคืออะไรอิสระเลชนะใจตัวเองเข้าใจไหมครับถ้าชนะใจตัวเองได้เนี่ยเป็นอิสระไม่ใช่ผัวเมียละกันนะแล้วเป็นอิสระ หรือไม่ก็มีผัวมีเมียไปไม่จริงเลยมิชละแปลว่าชนะใจาตัวเองได้ถ้าชนะใจาตัวเองไม่ได้ไปอิสร ะ, ะไม่ได้ชนะใจาตัวเองได้อย่างอื่นชนะหมดโยมเข้าใจไหมคะเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วผมไม่ได้มาวันหน้าเพราะเข้าใจแล้วถ้ายังไม่เข้าใจก็ต้องมาบ่อยๆเข้าใจไหมเดี๋ยววันนี้จับผู่ให้เข้าใจเลย เราไปรวยเป็นพันล้านเอาไหมถ้าทางฉรวยเนี่ยตำลาของพี่เพกอย่างนี้แม่ถ้ามีเงินเป็นพันล้านได้รวยเงินรวยทองมากบายแต่ก่อเข้าใจไหมครับเป็นอิสระยังคงรับเพราะอะไ ร, ะไระยังชนะใจาตัวเองไม่ได้ต้องชนะใจาตัวเองที่จะเป็นอิสระ หนูสอนสือเข้าใจไหมถ้าแพ้ใจตัวเองหนูไม่ต้องไปเรียนหนังสือตามใจ ไ, มได้อย่างไรตามใจตัวเองไม่ได้หนูไม่รู้ไหมค่าเสียงเคราะห์ถึงเสียงเงินเสียงทองหนู้ไหมหนูไม่ว่าอะไรว่าตามการน้าลปู่ชอะถ้าขาดคอลุงปู่ไม่ชอบ รู้ไหมได้ลูกหลานอย่างนี้ชื่ในใจเนอะเพ่กับน้องหาอา่างกันสุห้าปีเพราะว่าอัศรศีเป็นลูกสาวคนแรกของอมรกับสัามาด็เตอร์ไม ย, ยังอยู่ลากรธิตจยังไม่ ออกจุติจากที่อเมริกาเป็นด็อกเตอร์พอได้เวลาก็จุติจากอเมริกาไล่เวาทคาถาสู่ครรภของแม่อะพามะอาพามะเลยคลอดออกมาเป็นด็อกเตอร์หมาดเคยเรียนมาแล้วเรียนได้ไวไม่เคยเรียนมาก่อนจะเรียนชา้า แต่พยายามต่อไปก็สําเร็จเช่นเดียวกันเข้าใจไหมครการเจริญกรรมาฐานต้องการจ ะ, จะอ่านตัวออกไปอิสาเสรีนั่นเองเราเนี่ยแพ้ตัวเองมาตลอดเป็นที่ค่าเข้ามาตลอดหนูเขัดใจนะตามใจตัวเองตลอดถ้าเรามันเจริญกรรมาฐานจะฝืนใจไม่ไปตามอารมณ์ตามใจคขนอีกต่อไปเราจะมีสติยึดมั่นในตัวเองหนึ่งในตัวกองอุหนึ่งบวกหนึ่งต้องเป็น สติก็เจ็ดอยู่ด้วยกันหนูจะเป็นมนุษย์โสภาแล้วจะเป็นมนุษย์เทว์มนุษย์เทวดาไม่ใี่โอตะปะชะดุ้งกลัวตะบาร์ผู้เจริปิติชิงธรรมสหาก่งโดยสุจริญธรรมตลอดไปจนที่ห่าไม้ล่ํำรวยมห า, าศาลเห็นหนอเห็นด้วยปัญญาถ้านหนูมีสติพอครบคํานวณวงจรของเขาจะมองคนแง่ดีหมดจะไหมถ้าหนูอารมไม่ดีจะมองคนแง่ร้ า, มมานเนยเหมือนมังวีบางวัน แต่เรามีปัญญาครบวงจรครอบวงจรได้นเห็นหนอะเห็นเรื่องปัญญาความดีของเขายังมีทุกคนความทั่วก็มีทุกคนถ้าเราอารมณ์ดีจะมองคนดีหมะถ้าอารมณ์ดีจะฟังเพลงเพราะหมดทุกเพลงเข้าใจไหมครถ้าอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาจะพูดเพราะก็ไม่เพราะรอะไรกันนถูกต้องไหมคะ เวลาใจดีก็กลายเป็นคนใจดำใจสูงก็กลายเป็นคนใจต่ำใจงายก็กลายเป็นคนใจง่ายคนไว้ใจดได้ก็กลายเป็นคนโลเลคนมีสเสน่ห์ก็กลายเป็นคนหน้าชานคนพูดนาฟังก็กลายเป็นพูดในข่าวหูคน <Beng> ถูกหรือผิดคะไม่ถูกเลยเหรอถูกเหรอแล้วเดี๋ยวนี้คนเราพูดนาฟังมีทุกคนไหมถ้าล้มไม่ดีขึ้นมาเป็นไงคะพูดไม่น่าฟัง แต่พูดเพราะใช่ไหมแล้วคนที่ปากหวานก้นเปรี้ยวลี้นล็กคดเที้ยวคือประเภทไหนคะคนที่พูดจริงทำจริงพูดไม่เพาะพูดพ้งผาดคนที่พูดจริงก็ทำไม่จริงจะพูดเพราะจ้าวขาคุณหนูขาจ้าขายาวเป็นหว่าง คนจริงหายากคนที่มาเจริญกรรมฐ า, านเนี่ยมันเป็นแก้ปัญหาทุกไม่ใช่ไปโฉนนิพพานแต่อาจารย์เนถามบอกว่าหลวงพ่อไม่หวังผลไปสวานิพานที่ปเปิดนี้ศาสนาพุทธรัตถิหหมหายานต้องการให้มีสมาธิแต่ศาสนานี้พุทธนี้รัทธิเทระวาต้องการหลับตาไปโฉนนิพพาน แต่หลวงห่อทําไมไม่ไม่ทําอย่างนี้นทาไมไมาทําอย่างนี้ไม่ด้วยหรือศาสนาพุทธิยินยญาณเทร ว, ว่าต้องช่วยเหลือประชาชนในสังคมนี้อย่างนี้เราก็ตอบให้ท่านฟังว่าถูกต้องอย่างนี้ตดม้งหมายมรคนิพานก็เชิญที่สุดแล้วสูงที่สุดในผู้ศาสนาแต่ไม่หมายความว่าจะไปได้ทุกคน ไปได้ยังไงทุกคนไม่ได้หรอกนะต้องคนมีบุญวาสนาที่จะไปได้ต้องสร้างบารมีแก่กละถึงจะไปสูน่นิพพานได้แต่เอาแค่แต่ที่ตะมาทำงานสังคมนอกเหนือจากอาตมามันนั่งจเจริญกรรมฐานส่งหมหมยตายทางก็คือนิพพานก้นชึ้นไแต่นั่งกรรมฐานเนี้ยจะได้ลึกเหตุการณ์ทุกทุกอา ว่าเราต้องตายย4สิบสี่ตุลาเราให้ชดาจาร์ฟังตกใจเลยท่านรู้เหรือว่าตายบอกรูใครบอกสติบอกคอมพิวเตอร์ตีออกมาท่านต้องตายยี่ิบสี่ตุลาเที่ยงสี่ท่ามีพยานมีเนี่ยโยมทวัดแม่เตียงตายไปแล้วตอนที่ตา ม, มาคอหากตายไปอยู่ตลอดกระทั่งออกจะโรงพยาบาลแค่สิบสองวันปิดร้างค้าหมดสองคนสามีพยา ห้ทั้งอุ้มทั้งเช็คกลนเช็ดตูดให้ขอประทานชทวเลื่มไม่ได้แล้วนาะสตีบอดชัดเลยท่านตรงตาชิดหนอบเนสตีตัวที่สองลองมาตระยีออกมาพระเหตุใด ห, หรือที่เราจะต้องไปตาเช่นนี้คอหักตายุดถุบเฮเล่เากข้าาเขาตกใจเลย ที่เรารวบรวมสติอริยบทต่างๆละเอียดให้ละเอียดไว้เข้าคอมพิวเตอร์เก็บไว้ในจิตใจคือเป็นธรรมชาติตรงขึ้นอย่างเี้รับรู้ลมเนี่ยเหมือนเทพประทึกเสียงไม่ไปไหนเสียจิตไม่มีตัวตนที่จะคลําเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเกิดดับเกิดดับจิตไม่มีตายเราสังขารต้องตายเนี่ยมันเสื่อมไปมันแก่แล้วก็ต้องหมดไปตามสภาพแต่จิตไม่ตายเนี่ยร่างกายจึงเหมือนกันไม่ได้ อย่างหนูไม้เนี่ยอยู่อเมริกาแต่มาเกิดที่เนี่ยร่างกายก็เพี้ยนเปลี่ยนไปมาเป็นลูกแม่อภามมลูกพอมอนก็ต้องเหมือนในตระกูลนี้แต่ฝฟฟ้ายฝีที่มางวันยังอยู่ครบที่จะมีจากอเมริกามะเข้าใจไหมคะับห่างก็น้ี่สิบ้าปีก็มาไม่ทันการบันทีสา ม, มีอายุกาชสิบ ภรรยาอายุยิบห้ามันกลางลเลยเยอะแยะแต่จิตอันเดียวกันเพราะว่าสามีมันเกิดก่อนภรรยาตามมาไม่ทันอายุมันก็ไม่ทันกันอย่างนี้แต่รักกันเหมือนเดิมใช่ไหมรักกันเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ไหมว่าใช่ซะหน่อยสึสมมุติ ห, หน่อยไม่ได้บางทีภรรยาอายุเจ็ดสิบ สามมีอายุดี่แปดเ็กนี้ยังดีกันมันมาไม่เท่ากันอันนี้บอกพูดมาง่าไม่มีใครเข้าใจเวลาเราเกิดมาเราอยู่ด้วยกันแต่โยมไปอยู่เชียงใหม่ก่อนสามสิบปีแต่ตมาไปที่หลังก็เป็นคนที่หลังอยู่ตำหนับเชียงใหม่เข้าใจไหม ไม่ใช่อ่อนไม่ใช่แก่มันเท่ากันแต่เวลาที่ไปดูกับก่อนหลังมันไม่เหมือนกันก็ควรไม่เข้าใจถ้าจเจริญกรรมฐานจะรู้แน่นอนอดีตปัจจุบันอนาคตต้องรู้นี่เห็นด้วยปัญญาตั้งสติอารมณ์ไม่ดีเืินหนอ่ห้าครั้งให้ได้ไปทำเป็นประจบเดินจงกรมเนี่ยอันนี้โสงห้าประการหนึ่ง สามารถอดทนต่อการเดินทางไกลสองอดทนต่อการราเพนเพีย ง, ยงข้อสามโาครคภัยไข้เจ็บหายยด้อย่างน่าสะจใจสอาหารที่เรารับทานย่อยดังอ่ะห้าสมาธิที่เราเดินจุ ก, กลมตั้งได้ น, นานกว่านั้นแล้วเรามานั่งจะได้ต่อไปสมาธิจะได้ไหวขึ้นถ้าไม่เดินเลยมานั่งปับ สมาธิมันขาดตอนนั่งหนึ่งชั่วโมงเหมือนนั่งนิดเดไม่ได้ไหลายถ้าเดินจงกรมสมาธิใหญ่ได้นานเดินหนอห้าครั้งก็ะดารวบรวมสะสมไว้ในดวงจิตแล้วมันน่ะมันก็มีพลังสูงขึ้นเดินสมาธิเก็บได้นานกว่านั่งนั่งเก็บได้มากกว่านอนยืนเดินนั่งนอนสี่อันนี้บท ถ้าเราแก้ปัญหาในครอบครัวแก้ปัญหาชีวิตโยมจำไว้โกรธอย่าฝ่าฟางค้างคืนให้โกรธค้างคืนไปเช้าเสียเวลาถ้าเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยอารมณ์ค้างจะสอนไม่ดีถ้าเป็นผู้ฝากษาจะตัดสินติดคุกหมดอารมณ์ค้างไม่ยุติธรรมอารมณ์ค้างโกรธป้องจับแก้ัดความโกรธตรงนี้ลิ้นปี่ให้ใจยาวตามตมูกทั้งส้น ถ้าใจยาวแล้วโกรธหนอเดี๋ยวหายทันทีสติมันจะบอกเราเองที่เพกจะบอกโกรธเข้าทําไมเสียสมองหมดแล้ะแล้วเราไปทะเลาะกันทําไมฮเสียเวลาหมดล้วจะบอกเราได้โยมจําไว้คนอื่นบอกเราไม่เหมือนเราบอกเองคนอื่นสอนเราไม่เหมือนเราสอนตัวเองจำไว้นี่เราต้องสอนตัวเองหนึ่ง ตเองให้ดพึ่งตัวเองให้ได้ไม่ใช่มังบีงวันทามิพึ่งอยู่ในตัวเองรับรองบินสูงไม่บินต่ำไม่เลว้วต้องสอนตัวเองได้จำไว้ถ้าสอนตัวเองได้ไปรอดปลอดภัยเสียใจหนอ อ, อย่าปล่อยความเสียใจไว้ในจิตใจหนูจ ะ, นจะไปเรียนหนังสือไม่เก่งจะไปเขียนหนังสือก็หมจะเสียใจปัญญาไม่มีมิแต่มหสจริ ผิดสิ่งทำไม่สบายใจดูวความเสียใจเสียใจหนอหายใจยาวๆโค้นเสียใจอย่าโกรธให้ใจช่างไม่มีสติปัญญาเลยหายใจยาวๆแล้วต่างสติเล้นเปี๊หนูไม้เล้นเปี๊ยอยู่ที่ไหนเล้นเปีอยู่ที่ไห น, เ, น, อไหนเอาล่ะหลวงปู่จะบอกเขาเชื่อกวัดใบด่างตรงนี้ กับสะเดือและพับเปล่งอยู่ตรงนบางคนบอกโอ้โหหลวงพ่อฉันกําหนดได้ดีมากเวลาโกรธก็กําหนดแม้หายเลยแล้ลิ้นปีไหนอันนี้มันลูกกระเดือเอ๊ะก็ได้ผลเหมือนกันอาทุ่งอ้อยนี่ลิ้นปีกอยู่ตรงนี้มีต sure ั้งไหนแต่ก็ได้ผลแล้วเขาไม่รู้แม่หลวงพ่อขาที่ฉันกําหนดแจ๋วเลย พอโกรธหนอหายเดอดเสียใจหนอหายอยู่ต่อก่อนนี้ฉันก็จงแงสายงอนผัวว่ายังไงเนี่ยเสียใจร้องไห้ทั้งคืนเลยฉันก็เสียใจหนอที่ที่ดิ้นปี๋เลยหายเสียใจต่ก่อนนี้ว่าผัวเรียกผัวนะต่ก่อนนี้ฉันเรียกผัวฉันเนี่ยคุณพี่ขาฮอลลมเสียขึ้นมา อเฮียไอเฮยไอเฮียเนาะเลยฉันก็กำหนดเสียใจเนาะหายเลยเลยฉันไปกราบอเฮียกลายเป็นคุณพี่ตามเด็กถ้าล้มเสียแล้วก็เปลี่ยนชื่อคุณพี่เป็นไอเยียสูงหน่อยแล้วบางทีเปลี่ยนให้สูงเรียกว่าตู้เฮีย ต้วเฮียและบางทีเปลี่ยนหน้าสามีให้สวยขึ้นเปลี่ยนหน้าสามีให้สวยขึ้นกว่าเดิมเสียจายวยหน้าสามีดีแล้วไปเปลี่ยนเะเรียบร้อยไปเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนทำไม เลยเสียใจนี่กำหนดตรงนี้ถ้ากำหนดได้อารมณ์ดีป้าแผ่ไม่ตาได้เลยทำไมจึงว่านางกรรมฐ า, านก่อว่าแผ่ไม่ตาชอบต้องการอารมณ์คงที่คงวาคงชอาให้อารมณ์ดีแล้วค่อยแผ่แต่เราในะหาวก็อยู่ปกติไม่เดสวดม้อนมวอพระแต่อารมณ์พบวงจรขนาดนี้นกําหนดได้แผลได้ยันหนึให้ลูกเลยให้สามีให้ภรรยาได้เถ้าอารมณ์ไม่ดีอย่าแผลนะแผ่สองหรือึงเลย รู้จักแผ่สองหลุ่มไหมยิงปืนตกปากระบอกไม่มีพลังส่งยิงปืนตกบาง ก, กบอกหมดแผ่สองหลุม่มหงายหลังเนยถ้ามีพลังเจดคือเมตตาด้วยศรัทธาเนี่คือแผ่ได้เลยลูกโยูอเมริกาถึงทันทีจะแผ่ให้สามีก็ได้แผ่ให้ภรรยาก็ไะเคยแผ่ให้ไอ้สามีไหมทำไมไม่เคย ต่อไปนี้แพ่นนะขอให้สามีอยู่เย็นไปสุดได้ไหมได้ต่อ น, นี้แผเลยให้เขาอยู่เย็นจนสุดตลอดการประ ว, วาสารนะเจ้าคะกิจชันก็มีความสุขแล่เจ้าค่ะได้ไหมได้โมทนาดูและบางคนมีสามีถาม้าจะพระราชทานก็เอานะโยมผู้ชายเนี่ยเข้าใจกว้างเขาเป็นทวชนดอน มัตสียังพระทานได้แต่เราทำไมหนออย่าใจแข็งทำไมสา ม, มีพระทานนี่คนอื่นไม่ได้เหรอได้ไหมได้ัด้มนั่นลูกศีว่ากวนต้องได้อาตมานี่พระจะทานหมดเลยโยมชายเชื่อถึงมาบวชให้หมดลูกเตาให้หมด ถ้าทานแม่บ้านไปหมดรู้ไหมรู้ไหมก็มาให้เขาหมดแหละแล้วลูกตาวให้หมดจึงยังมาบวชอยู่ดีไหมไม่เชื่อเลยเนี่ยอาชงอเทมไหมฮะอะไรเนี่ยทําไมรู้ยังไงฮะ โยกตาวหายเ้าหมดสองกุ้งมาอเนี่ยพระตระธานไปได้รู้ไหมมัดซีแล้วก็หายหมดแล้วยงผู้ชายใจกว้างจโยองผู้หญิงจะว่าใจแคบก็ไม่เชิงนะหล่งพ่อคะพี่โทรอ้ยมีจังทุกครั้งนาาัดตามานั่งกรรมฐา น, าานโอ้โหยิ่งห่วงสามมีใหญ่หลงพ่ออย่าพูดมันผิดฉันเคยหึงผัวเลยไม่เลย ขายยากย่ไปแต่ตำราบรอยูอันฉันไม่ถึงไม่ห่วงแต่อย่ามาควงให้ฉันเห็นมาควงมันเป็นไงฮะควงเป็นไงไม่เคยเข้าใจเพราะเราไม่เคยไปควงกับใครอาชงวะควงมันเป็นไงเนฮะนะอะไรเนงะี้ ควงมันเป็นยังไงอย่ามาควง n ให้ฉันเห็นควงมันเป็นยังไงนะอย่าได้ตำามมาสอนก็ยังไม่ได้นะย้อมตอบสิควง ơ เป็นไงนะพามาเดินด้วยกันพามาเดินด้วยกันอ๋อทอนนี้เองเลหรอโอ้โหตัมมาพาเขาเดินเยอะเลย เนาะการเจริญกรรมฐานาแก้ปัญหาชีวิตและสร้างกุศลให้กับตัวเองการเอาเงินมาทำบุญเนี่ยเป็นการชยทานถ้าสร้างบุญให้กก่ตัวชีวิตแปลว่าความสุขมีในใจมันต้องใช้เงินใช้ทองแต่ประการใดาหายากมาแต่ไม่คยจะทำชกถวายสังทานถวายเงินถูกต้องทานทพอรวนาก็ดี แต่ที่แน่ที่สุดคือเอาบุญมาวันจะจายให้เกิดความสุขอย่ามีความทุกข์ต่อไปไม่ต่ อ, อาหาทุกมาทุกเราเต็มเปา้าเต็มกระเป๋าเยอะทำไมหนอไปเอาทุกจ อ, อนนอกบ้านไปเก็บเอาทุกนอกบ้านมนาใา่ใจจะเกิดความลำบากใจในอนาคตขอฝากไว้เห็นด้วยปัญญาคิดด้วยปัญญาฟังด้วยปัญญาดได้ไหมเจดมันเกิดทางอวิทา่ญญานส เสียงหนอเขาพูดเขาด่าเขาว่าเราไม่สติปัญญาแล้วจะไม่รับฟังเกิดขึ้ื่อนตางูดับไปหาเขาเองอย่าไปรับเอามาเขาด่าเขาว่าใครด่าเรามันก็ไปหาเขาเองมันไม่มาหาเราขอประทานโทษพูดขนุกเล่มึงด่าใครกูด่ามึงอ้อนแลว่าด่ากูมึงก็ไปให้หมดถูกไหมนะ ไม่ถูกไม่เป็นเลยเขาดา่าเขาว่านิ่งหลวงพ่อนิ่งหลวงพท t r o n อาก็ถาไปหน่อยหลวงพ a t r o หลวงพานิ่งไปไหนตาดูหูฟังปากนิ่งขอทานขอผักเต้นเรียบเว่งมือทําแต่ความดีจะได้มีปัญญาจะได้แก้ไขปัญหาได้ไปไหนเอาตากับหูไปยาวาปากไปก่อนได้ไหมปากไปก่อนเนีย่ยไปพูดมันเสียหายเขาว่าประเพณีไม่เหมือนกันเราจะไปว่าเขาไม่ดีได้ยังไง จะพูดว่าเขาไม่ดีน่าจะพูดว่าเราไม่ดีดีกว่าถ้าไปพูดมันเสียหายเราจะไปกลางประเทศไปว่าเขาเรื่องงานประเพณีบ้านจะไม่เหมือนกันไม่ต้องบ้านเราแค่อำเภอเดียวยังประเพณีไมเหมือนกันต้องไปพูดทําไมมันเสียชื่อเสียพูดไปขัดใจเขาคํำเราเบาราคาทําทได้ขาดตาลดละคา ง, งานเราเองถูกไหมคะไม่ถูก ไม่ถูกก็ขอผ่านเนาะมาลดราคางานเราได้ญาติโยมทั้งหลายเอย๋ยการเจริญกรรมาฐานเพื่อแก้ปัญหาชีวิตได้แน่ไม่ต้องไปสวรรค์นิพพานเอาแค่ไม่ต้องตกนรกไม่ต้องไปอาบายามุกอบายภูมินรกเปรตรุกาเฉลี่ยฐานไม่ต้องไปเนี่ยไม่สติครบวงจรที่จะไม่ไปนรกเ้าทําได้ปิดประตูอบายไดาเลยไม่ลหลงไหลไปอาบายามุก เอบาบยภูมแน่นอย่างตามแล้วต้องกลับมาเป็นโลกมนุษย์สมบัติแล้วจะไปสมหวานสมบัตินิพานสมบัติได้อย่างแน่นอนไม่มีทุกไม่มีความยากไม่มีความบาปในอนาคตแน่นอนขอขอฝากญาติโยมไปคิดในวันนี้พยายามอดทนหน่อยอดทนไปสมบัติขนอกส่อสู้ความรู้ไปสมบัติขนอปราศความสามารถเป็นสมบัติขนอประกอบเกิดความม่รียบียบทุกชนิดเป็นสมบัติทุกทุน เพราะฉะนันวงจรจะครบการปฏิบัติกรรมาฐานยืนเดินนัน่งนอนเหลียวซ้ายเหลียวขวาที่ยามันยากน่ารักน่าดูน่าบูชายมจะเป็นหญิงเป็นแม่บา้านก็น่ารักมีแม่บา้านข้าเลี้ยงแค่สาบอย่างดีเป็นพ่อบ้านอย่างที่หน้าเคารพ บ, บูชาของแม่บา้านให้เกลียดเช่นกัลยกา ร, การให้อภัยเึ่นกันลยกา ร, การอยู่ได้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมีอะไรไหมที่ให้อภยัยจะไม่ได้ งามสีที่ดีสีแบบกระต้าู้ดสีอย่างจะต้องด่าจากคำฐานไม่ต้องไปสวรรค์พานาไม่ต้องพูดยานที่หกไปญานที่หกทำไมแค่นี้ยังทําไม่ยานจะไปยานไหนยานอะไรกานยานจึงแปลว่ายานางความรู้ในปัญญาที่เกิดขึ้นงามสีที่ต้องดา่าคือมีสติธรรมชัญญะงามอะไรหนูงามด้วยเครื่องแต่งกายแต่งตัวให้มีระเบียบมีระบบเรียบร้อย งามตรงเครื่องแต่งกายทุกคนสองงามที่อวัยวะหน้าตาหนูถ้ามันไม่งามไม่มีปัญหาหนูไม่ลงพื้นวาดแผนที่ถ้าจะวาดแผนที่โปรกูนาวาดใา้มันตรงหน่อยบางโยมมาเนี่ยจะมาสักเพจจกบางทีไปทางเนี้ยบางทีก็ลงทาเ้งไม่ได้ดูกระจกเลยหรอกมันต้องวาดให้ดีหน่อยนะ ทำให้มันเข้าท่าเนี่ยเขียนให้มันตรงๆงไม่ใช่เสียหายงามเนกงามหน้างามพระปรางงามอาวัยวะรูปร่างหน้าตาหน้ารักหน้าใคร่หน้ า, า, ย, นายินดีหน้าปีดาสองสามงามยมารยาทกิยามารยาทเรียบร้อยไปลามาไหวอ่อนน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือเป็่งงกิยามารยาทหน้ารัก ประทับใจของคุณได้เห็นได้พบสีงามด้วยงามจหญ่อรัญญาสายวิสัยท่า ก, กวางไกลจำไว้ ง, งามตรงดีสีแบบนิ่าางใหญ่กามฉาดดีที่ชาติตระกูลของตนชาติตระกูลของตนนี่สูงมากสองดีที่ทรัพย์สมบัติมีอันยศทรัพย์ภายในอันยศทรัพย์ภายนอกสาม เดที่มีวิชาความรู้ความสามารถเข้าใจไหมไม่มีวิชาความรู้ความสามารถใช่ไม่ได้เดที่มีศีลและธรรมประจําจิตตั้งใจไปทํากรรมฐานรับรองจะได้ผลสมค่าศาถนาทุกประการกระตันยูสี่อย่างต้องครบคนที่ทํากรรมฐานจะมีจะมตีตากระตันยูบูชาต่อพ่อแม่ จะไม่ทิ้งพอ่อทิ้งแม่จะไป็การได้หนูพ่อแม่ให้เราได้ทุกอย่างพ่อแม่รักเราด้วยความไม่สุดคนอื่นหรือจะรักเราถ้าพ่อแม่รักเราคุณหนูเข้าใจไหมเข้าใจเลยคะแล้วใครจะให้เราได้ทุกอย่างไม่เกินพ่อแมคนอื่นจะไปเชื่อถือมันให้เราไม่ได้เวลาเราช่วยเขาได้มากเขาจะรักเรา เราไม่ช่วยเขานี่เขาไม่รักเราเลยช่วยน้อยรักน้อยช่วยมากรักมากนอไมต่ต้องสต๊อปพ่อแม่เราดีสดุดขอฝากไว้ใครหนอจะรักเราเท่าพ่อแม่รักเราใครเป็นพ่อแม่ขอจเจริญพรถามรักลูกไหมถามจริงรักลูกไหมรักผัวไหมไม่ครบวงจร รักสินนกตายเลยเหรออ๋อปล่อยไปโอ้โมทนาพุทธาให้ทานให้ทานได้แม้ดีเหลือเกินขอโมทนาด้วยขอร่วมบุญด้วยนะ <c oughs> ขอร่วมบุญด้วยอาช ง, งอรู้เรื่องไหมนะรู้เรื่องไหมร่วมบุญนะครับ อย่างนี้หายากเลี้ยงลูกปลูกฝังลูกไปให้ลูกตั้งต้นฝึกรับศึกษาให้ลูกได้ดีมีปัญญามือวิชาตั้งต้นให้ลูกเป็นคนดีได้ให้ลูกเป็นนกเตยได้ทาใจไหมให้ลูกเป็นนกเตยได้มาลัดหน่อยหล่อพ่อจ่ายเพชรหนึ่งกิโลเลยทองหนึ่งตันแต่เพชรกับทองของเราที่ฮำไม่ต้องใช้ตำรวจอะราคา เอามาไหว้ในหัวใจเส่หรลอดีไหมดีเหรโยมงเห็นด้วยนะกาตานยูสี่อย่างหนูไม้ฟังอาจารย์ูต่อบุคคลรูปพระคุณของบิดามารดาไปเลี้ยงเรามารูปพระคุณของครูบาอาจารย์รูปพระคุณของชาติสืบภูมิมรดกบ้าเกิดมานอนของตน รูประคุณถึงอาชีพการงานที่เรามีอยู่อย่าทิ้งมันสองปัะตัยยูต่อสถานที่รูประคุณของแหล่งให้เกิดความดีและสภาพความดีทั้งโรงเรียนเนี่ยแหลแ่งให้เกิดวิชาการและแหล่งให้เกิดความดีเรื่องอุปรกรณ์ใช้สอยต่างๆและอาชีพการงานโดยชั้นติวิจี 3. สามปัะตัยยูต่อความดีรูประคุณของความดีที่เขาทาเรา ทำให้เราเป็นคนดีลืมเขาไม่ได้ใส่ก็ตัอยูต่อตัวเองรูปและคนของวยวะรนากายสุขภาพอรญมายรักษาไว้เราเลี้ยงโคถึกมลึกคาช่างมะไว้ไฉงาเลี้ยงสังขารไว้ไฉ่ละเลี้ยงสังขารไว้สร้างความดีในชุดของหลักให้กับลูกหลานร่างกายเป็นชัพยากรชีวิตสร้างความดีให้กับตัวเอง สรความดีกับลูกทําถูกวกับหลานรักษาถูกวิธีทําความดีให้ลูกดูกรตันอยู่ต่อตัวเองคือรูปและคุณอย่างตรง ร, รักษาสุขภาพอันนามัยย้ายให้มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นเดิมโดยเฉพาะโรค ก, กายบริหารกายเดินจง ก, มกจรมโรคจิตย้ายมีอย่างให้เครียดโรคจิตคืออะไรมือผลิติธรรมดาตั้งสติไว้ทุกประการรับรองอวัยวะช่ำชื่นเบิกบานอาหารการบริโภคหยุดยาสารโรคทุกประการ ไม่มีโรค ก, กายไม่มีโรคจิตชีวิตแจ่มใสในอนาคตโลดโชตนาการสมปรารถนาในความหวังที่ข้างนาต่อไปถึงเราจะเท่าทะเละแก่ชลาเราตายไปด้วยตาหลับสบายอุสบายใจด้วยความสงบไม่มีความอดต้องมีความอดทนโรคภัยขค่เจ็บจะเบียดเบียนก็น้อยถึงจะตายก็ตายด้วยความสงบไปจะครบท่วนขบวนการสมปรารถนาทุกประการ อะไรหนอจะรักเราเข้าเรารักตโปรดัวนาเมตตาตัวเองให้มากที่สุดใครหนอใครจะจะรักเราไม่มีแล้วพอแม่เราบ้านก็ตายไปแล้วเราจะไปพึ่งใครพึ่งสามีก็แลหาพึ่งภรรยาก็เปลี่ยวกายพึ่งตัวเองดีสุดช่วยตัวเองดีสุดสอนตัวเองดีสุด ไม่มีลายยีกว่านี้แล้วขออนุมโมทนาสาธุการกับญาติโยมทั้งหลายที่เรามาบําเพ็ญบุญ บ, บําเพ็ญบุญตลอดระยะเวลาที่อยู่นบะบัดนี้บัดนี้จะลาไปแล้วจึงได้โหติกรรมเอาโหติกรรมในที่ประชุมไปลามาไหวอ่อนน้อมถ่อมตนตลอดเลยการหมักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันลาทั้งวัดลาทั้งวันวันทาทั้งเสมาพระพุทธรูปในวัดและลูกอมูระเจดี ในวัดลาทั้งหมดจะเดินทางไปโดยสวัสดีมีชายจเจริญสุขจเจริญรวดเจริญอาคตานจเจริญหน้าที่การงานจเจริญในการค้าค้าขายจะได้ดีมีปัญญาแก้ไขปัญหาสมปรารถนาดังกล่าวแล้วอาตมาภาพขา อ, อนุโมทนาที่ทานไปลามาว่าจะได้รับพรสีประการอภิวาทนาสิริชนิจังวุฒธธาปัจายโนะจารโลธรมาวัดฌานตรีอายุวโนสุกทางพหลังพรสี่ประการข้อหนึ่ง คืออายุยืนสองผิวพรรณผ่องใสพอที่สามสุขภาพอนาาันมั่นมั่นดีพอที่สี่สำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจริตรุปมกระทำพอนที่ห้าทรัพย์สินเงินทองมากมายกายกรสั้งทรัพย์ทัางบริวารข้าทาบบริวารในบ้านอยู่เย็นเป็นสุขชื่อสาบสุจริตเป็นนิขยัยประหยัดให้มานหาหลังให้บายอยู่ยังท่านทําตามาาแล้วที่กล่าวแล้วรับรองบ้านทานจเจริญลูกเรื้ยง สามารถแก้ปั ญ, ปญหาสถานการณ์ได้มีลูกก็ดีหมดทุกคนไม่เสียหายแน่นอนถ้าพ่อแม่ไม่ดี ส, าา ร, ส ร, ร้างสาคุรุสลกรรมรับรองลูกเสียหายแก้ไม่ได้แก่มาได้เลยพ่อแตกแยกแม่แตกแยกลูกจะไปพึ่งใครล่ะแถมทิ้งลู ก, กเหี้ยนาที่ได้เวลาที่มีประโยชน์แก่ท่านเองท่านไปคิดเอาได้เลย ท่านกลับไปบา้านโปรดได้คิดให้ลึกซึ้ง os, ดดก้าเกาะเสือสะจอยลึท่านจะได้รับมรรคผลสมค่าปัชนาทุกประการขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกทา่านขอทุกท่าจนจงเจริญไปด้วยอายุวันณาสุขาภระรปฏิภาณธนาสารทุมบัตินึกคิดสิ่งอื่นประการด้ชมความมุ่งมา่นปรัชานาทุกการทุกลูกลุกนาม ณโอกาบัดนี้เทินขอเจริญพรทุกทุกท่าน